ข้อความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายได้ร่วมประพธิญาณกำมังพักเรื่องในธรรมจากกวัตนสุมาตอบปัญหาซึ่งมีผู้ถามมาหลายข้อปัญหาเหล่านี้ที่จริงก็เป็นเรื่องของธรรมะ ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่เปลี่ยนแปลงในเชิงรูปแบบแต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาเพราะว่าคงเป็นเรื่องธรรมะอยู่นั่นเองในข้อป่อต่อไปท่านถามว่าการทำสมาธิมีวิธีการมากมายจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกระ บ, บุว่ามีกี่วิธีคะก็นในพระไตรปิฎกนี้ที่จริงข้อความเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ โบราณอาจารย์ท่านก็รวบรวมมาไว้ประสงค์แสดงอะไรไว้ที่ไหนบ้างและเอามาจัดเป็นหมวดหมู่จะยกตัวอย่างว่านุสติสิบหรือกสินสิบเนี่ยเวลาแสดงก็บางคราวก็ไม่แสดงครบทั้งสิบบางคราวก็มีทั้งสิบเรืออนุสตสี่สิบบางทีก็แสดงข้อเดียวบางทีสองข้อสามข้อสีข้อเนี่ยแต่สรุปแล้วก็คือมีอยู่สิบข้อ อสภาษิต บ, บางทีก็แสดงครบสิบบางทีก็ไม่ครบสิบก็เป็นปริยายเทศนาคือขึ้นอยู่กับผู้ฟังในขณะนั้นว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยเขาสามารถจะฟังธรรมะระดับใดเกิดความเข้าใจพระ้าก็จะทรงแสดงไปในระดับนั้นเพราะเนื้อหาอาจจะมากหรืออาจจะน้อยก็ดูแล้วแต่ผู้ฟัง สามารถจะรู้ธรรมะโดยวิธีใดพระพุทธเจ้าก็จะแสดงโดยวิธีนั้นพระอาจารย์ในรุ่นหลังตั้งแต่โน้นและตั้งแต่ท่านที่ทําสังขยนาเขาเรียกว่าพระสังขีติกาจารย์หรือพระต่อมาก็ปเป็นพระคันธรสจนาจารย์เดออาจารย์ที่รจนานัมภีรท่านศึกษาจนแตกฉาน แล้วก็รวบรวมมาไว้ก็กลายเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานเนี่ยมีอยู่สี่สิบอารมณ์แต่อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งถ้านับโดยหมวดเนี่ยมันก็มีอยู่แค่หกหมวดแต่ถ้านับไปองค์ธรรมมันก็มีถึงเจ็ดสิบกว่าองค์ธรรมที่จริงก็อาจจะสรุปเป็นนามรูปก็ได้หรือรูปนามก็ได้หรือขันห้าก็ได้ เพราะทั้งหมดก็เป็นเรื่องรูปนามหรือเป็นเรื่องขันห้านั่นเองขอทรงจำแนงแสดงเป็นหมวดหมวดไว้คือขันห้าอายตนะสิบสองธาสิบแปดอินรียี่สิบสองอริสสีปฏิจจสุบบาทสิบสองรวมแล้วก็เป็นหกหมวดแต่ถ้านับเพียงลำดับก็ถึงเจ็ดสิบาดังกล่าวแต่ทั้งหมดนะฮะทั้งสองเรื่องนั่นะ สรุปอีกทีหนึ่งก็เป็นรูปกับนามรูปนั้นก็คือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้โดยตาหูจมูกดินกายนามก็คือสิ่งที่เรารู้ได้โดยใจสรุปรวมก็เป็นรูปกับนามทั่นั้นเองในบาลีจริงๆนันเรียกว่าสมถะกับวิปัสสนา คำว่สมถทธายนิกคำว่าสมถกรรมฐานมีศัสนากรรมฐานมีปัสนายานิกอะไรตัอะไรเนี่ยเป็นคําในรุ่นหลังซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะคือเป็นการแสดงความหลากหลายเพราะว่าเมื่อท่านมีนัยยะในการอธิบายบางครั้งบางคราวชื่อเดิมเนี่ยอาจจะครอบคลุมไม่หมดแล้วก็เพิ่มข้อความเข้าแต่ว่าคงเนื้อหาเดิมเอาไว้ สามว่าวิธีการใดที่เหมาะสมสำหรับคนที่วัยอายุห้าสิบปีจะพูดถึงคนวัยขนาดนี้ความจำเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วลักษณะความคิดอาจจะสายไปในอารมณ์ต่างๆคือหนักไปในเรื่องวิตกคือตรึกนึกมีเรื่องต้องคิดต้องจัดแต่ต้องทำแยกแล้วก็ มีความไม่เข้าใจในเรื่องต่างเพราะกระแสของวิจ า, ารณก้าวหน้าที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเนี่ยผที่เหมาะสมที่สุดก็คือพวกอนุสติเพราะว่าจะน้อมเอียงไปในทางที่ศรัทธาเลื่มใสในรัตนตรัยได้ง่ายลึกถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ลึกถึงศีลลึกถึงการบริจาคลึกถึงเทวดาอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆ แนวคิดดีเนี่ยก็คืออานาปานสติเพราะว่าเป็นกรรมฐานประเภทที่ช่วยเรื่องคนที่คิดมากวิตกกังวลมากเนี่ยทากว่าจเจริยนอนาปานสติกรรมฐานด้วยภาวนาวอกุตโตหรือว่าดูลมหายใจเขาออกหรือนับลมหายใจเขาออกหรือตามลมหายใจเขาออกหรือดูจุดสิ้นลมหายใจเขาออกกระทบก็ตาม มันจิตมันจะนิ่งอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นสัปปายะคือให้ความสะดวกสบายแก่คนซึ่งเจริญกรรมฐานประเภทนี้แล้วก็ไว้อยู่ระดับนี้ข้อต่อไปถามว่าการสวดมนต์เป็นการทำสมาธิวิธีหนึ่งใช่หรือไม่ค่ะก็ใช่นะขึ้นแนวของการทำสมาธิคืออยู่ในกรอบของสมาธินี่นะ เราเอาบทสวดมนต์ต่างๆขึ้นมาสวดสาธยายก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งเอามาบริกรรมก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งเอามาพิจาราก็เป็นทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งปัญญาระดับหนึ่งน้อมนำมาปฏิบัติก็เป็นสมาธิอีกระดับหนึ่งเพราะเนื้อหาสาระของความเป็นสมาธินั้นก็คือการที่จิตสงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการลงไปได้ จะโดยวิทยาใดก็ตามก็ถือว่าเป็นการเจริญสมาธิแต่วก็ท่านถามว่าถ้าใช่การร้องเพลงก็คงเป็นการทําสมาธิเหมือนกันหรือไม่คะอันนี่เพลงมันขึ้นอยู่กับเพลงอะไรนะครับคือถ้าเป็นเพลงที่โน้มนำจิตใจให้อ่อนโยนเกิดเมตตากรุณาเกิดความสงบเกิดความสํานึกคุณเช่น สมมติว่าเพลงค่าน้ำนมอย่างเงี้ยประคุณของแม่อะไรแต่อะไรต่างๆถึงฟังแล้วจิตใจจะอ่อนโยนหรือพวกบรนเลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะไรแต่อะไรต่างๆไม่เกิดความรักความชังแต่เกิดความสงบเย็นเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื้อหาสาระของความเป็นสมาธิก็คือสงบนิวรณได้แล้วว่ากันธรรมาัจริงบทสวดทั้งหลายเนี่ยบทสวด ที่พระเอามาจเจริญพระพุทธมนต์นนะที่จริงมันก็เป็นเพลงขับ น, นะครับเป็นเพลงขับภาษาบาลีแต่นั้นเองเพียงแต่ว่าเมืองไทยเราไม่สวดแบบเพลงแต่อินเดียเขายังสวดแบบเพลงนะฮะลังกาบางทีก็ยังสวดแบบเพลงอยู่เขาเรียกว่าเพลงขับที่ประกอบไรทำสวดไปแล้วก็ดูจิตเราก็แล้วกัน ถ้าจิตสงบเย็นดื่มดำลงไปก็แสดงว่าเป็นอาการของสมาธิประการหนึ่งในหลอนี้เราจะเห็นว่าพวกมหายาเนี่ยเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีการเคาะมีการมันเลงมีการเป่าต่างๆเนี่ยก็ เ, เป็นวิธีการในการสร้างสมาธิระดับหนึ่งข้อต่อไปท่านถามว่า พูดว่ามาตมคันธีพูดว่าคนเราซื่อสัตว์กับคนอื่นและทุกสิ่งในโลกไม่เท่าการซื่อสัตว์กับตัวเองท่านช่วยอธิบายอันนี้ก็ธรรมดานะครับคือว่าคนเราอาจจะชนะคนเป็นร้อยเป็นพันได้แต่ก็สู้การชนะตัวเองไม่ได้ การซื่อสัตย์กับตัวเองนั้นเป็นศูนย์ใหญ่ที่จะทําให้เราซื่อสัตย์ต่อคนอื่นแต่ถ้ากับตัวเองเรายังไม่ซื่อสัตย์เนี่ยไม่ต้องหวังอะไรที่ให้เราซื่อสัตย์กับคนอื่นหรอกมันเป็นไปไม่ได้เพรตามปกติแล้วคนเรารักตนถนอมตนต้องการให้ตนเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่พอใจมีความเจริญก้าวหน้าเมื่อ เราแสดงความซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ในการทําในการพูดในการคิดในการให้สัต์ปฏิญาในการให้สัจจวาญาในการให้สัจจปฏิญาหรือสัจจปฏิญาหรือสัตยาธิฐานอะไรก็ตามที่ตนจะต้องรับผิดชอบโดยตนเองเนี่ยเมื่อเราทําได้มันก็ซชื่อว่าซื่อสัตย์ต่อคนอื่นทั้งปวงเพราะตาบใดที่เรายังซื่อซื่อสัตย์อยู่ คนที่เกี่ยวข้องกับเราก็ได้สัมผัสความซื่อสัตว์ของเราแต่ถ้าเรามองไปที่การซื่อสัตว์ต่อคนอื่นบางทีบันอาจจะกลายเป็นการเสรียแซงเป็นการมายาเป็นการโอ้อวดเป็นเล่ห์เหลี่ยมอะไรต่างๆก็ได้ยังไม่แน่ว่าเขาจะซื่อสัตว์จริงแต่ถ้าเขาชื่อสัตว์ต่อตัวเองแล้วก็หวังใจได้ว่า เขาจะต้องสื่อสัตต่อคนอื่นก็ต่อไปถามว่าเวลานั่งสมาธิเมื่อถึงระดับหนึ่งจะมีความรู้สึกปีติแล้วน้ำตาจะไหลเมื่อถึงระดับนี้เรียกว่าระดับอะไรคะได้จะเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่นั่งสมาธิหรือเปล่าครับถ้าเป็นจริงนะฮะ เราเรียกว่าภาณาปิติมันมีความทราบสั้นแผ่คลุมไปทั่วทุกส่วนของร่างกายแล้วเกิดเป็นน้ำตาไหลออกมาแต่ว่าไม่เกิดสม่ำเสมอหรอกเพราะว่าเรื่องสมาธินี่ถ้าเราอยากให้มันเกิดมันไม่เกิดหรอกเนื่องจากมันเป็นผลของสมาธิปิตินี่มันเป็นผลของสมาธิเพราะจริงเราต้องสงบ ถ้าจิตเราอยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ในขณะนั้นจิตต้องไม่มีความอยากให้ปิติบัรเกิดหรือสมาธิบันเกิดหรือว่าน mm hmm. ิมิตอะไรต่างๆมันเกิดเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติไปบทก็เกิดก็เกิดไม่เกิดก็แล้วไปนะครับเพราะเนื้อหาสาระจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างที่บอก เนื้อหาจริงๆมันอยู่ที่จิตทึ่สามารถสงบประงับนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้เป็นตัวการสำคัญของสมถะข้อต่อไปท่านถามว่าเป็นคนพูดก่อนคิดทำก่อนคิดเสมอพอพูดไปแล้วทำไปแล้วจึงจะคิดได้ว่าสิ่งที่พูดและทำไปนั้นไม่ดีเลยจะเป็นอย่างนี้บอ่อย จะทำอย่างไรจึงจะหยุดการกระทำสิ่งนั้นค่ะแต่าการทำสมาธิช่วยเรามีสติกำหนดการกระทำนั้นได้หรือเปล่าค่ะก็เรื่องนี้ก็ต้องใช้สตินะครและการจเจริญสมาธินี่จะเสริมสติสมาธิแล้วก็เสริมสรมมชัญ ญ, ญัมีความหนักแน่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น ก็เป็นพลังของศรัท ธ, ธาพลังของความเพียรพลังของสติพลังสมาธิแล้วก็พลังของปัญญาที่จริงเนี่ยผู้ถามก็รู้โทษของการทำก่อนคิดพูดก่อนคิดหรือว่าทำโดยไม่ได้คิดพูดโดยไม่ได้คิดว่ามันเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเราในโอกาส ต, ต่อไปได้ ก็ต้องพยายามสร้างตติระลึกใหได้ก่อนจะทําก่อนจะพูดหรือแม้แต่ก่อนจะคิดเนี่ยว่าจะทําอย่างนั้นจะพูดอย่างนั้นจะคิดอย่างนั้นแล้วก็สวดสอบดูว่าผลจากการทําการพูดหรือแม้แต่การคิดนี่จะเป็นยังไงแต่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นอันตรายนําทุกข์มาให้เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือถ้าทําไปตามนั้นก็จะเบียดเบียนบุคคลอื่นก็หยุด ความคิดตรงนั้นเสียงแต่ในขณะที่กำลับบงทํกบบากำลังพูดกำลังคิดอยู่เนี่ยเราลึกได้ว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนทางตนเองหรืบุคคลอื่นมันก็หยุดความคิดในตรงนั้นได้หรือบางครั้งได้ทาไปแล้วมันก็พลาดไปแล้วก็ต้องใช้เป็นบทเรียนที่จะต้องเกิดสํานึกหลับจำํำคือไม่ทําต่อไป ที่ทำไปแล้วก็ถือเป็นบทเรียนว่าถ้าดีก็คือทำต่อไปถ้าไม่ดีก็ลาบจำจำานึกจำเนียกคืออย่างอื่นเราก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะเพราะเรื่องมันทำไปแล้ว <mm ก็ต่อไปท่านถามว่าเป็นคนที่พูดเสียงดังออกจากกระโชกกระชากเสียงเหงอนดุตลอดเวลาควางดูแล้วไม่เพราะเลย วงเล็บเป็นผู้หญิงนะคะวงเล็บปิดอยากจะเป็นคนพูดเพราะบ้างจะทําอย่างไรดีคะ่ะการฝึกสมาธิจะช่วยได้ไหมคะก็อันนี้ก็แนวเดียวกันนะฮะแนวที่จะต้องฝึกปลือสติสมาชัญญากเนะี่ยซึ่งอาจจะดูตัวเองก็ได้สอนตัวเองเช่นเวลาเราคุยปกติธรรมดานะเรามีเทพคัดเศษเราก็อาจใส่เทเปคัดเศษไว้ ล้วก็ยามปกติก็มาเปิดดูฟังดูจะเห็นว่าซุ้มเสียงสัมบัติสัมเนียงสันวนอะไรต่างๆเนี่ยไม่เพาะเลยไม่เหมาะถ้าคนอื่นพูด ก, กับเราอย่างนั้นเราก็ไม่อยากจะฟังเพราะเราพูดกคนอื่นคนอื่นก็คงไม่ชอบแล้วก็ตั้งใจสำรวจระวังฝึกปรือทนเสียงของตัวเองนะคือทำยังไงว่าอย่าให้กระโชกะชะตา บางครั้งประกาวก็ต้องหัดพันนักษอนต่างๆคือทำให้เสียงมันอ่อนลงคือถ้าเราไม่ตะเบงนะฮะไม่ตะเบงเสียงมันก็ไม่ขึ้นสูงอยู่แล้วก็แสดงว่าคุ้นเคยต่อการพูดแบบตะเบงเสียงพอตะเบงมันเสียงมันก็หนักมากก็ดังกระแทกเราก็พูดได้ยผีปากนะฮะพูดด้ยผีปาก อย่าพูดออกมาจากคอแต่ข้อความบางคำมันก็ออกมาจากคอนะฮะมันขึ้นอยู่กับฐานที่เคยก้องสอนแต่ประเด็นสําคัญก็คือต้องมองเห็นโทษของการพูดในลักษณะนั้นการฝึกสมาธินี่ช่วยได้แน่นอนเพราะว่าคนเป็นสมาธิเนี่ยมันสติมันเพิ่มขึ้นจัตวาญญาเพิ่มขึ้นเพราเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะรู้สึกบนควรจะพูดอย่างไง โทนเสียงควรจะเป็นยังไงน้ำหนักเสียงควรจะเป็นอย่างไงสับแสงต่างๆเนี่ยควรจะใช้เป็นยังไงจึงจะเหมาะจะควรกับคนที่เราพูดด้วยในขณะนั้นๆเมื่อทําได้มันก็จะค่อยๆเบาลงไปเองเพราะงั้นเราจะได้ยินว่าคนที่สนใจเรื่องกรรมฐานนั้นจะพูดเบาเพราะก็ต้องมีสติกํากับในการพูดอยู่ตลอด ไม่เผอเร่อไม่ลงลืมไม่เลือ่อเือนไม่พรั้งพระข้อต่อไปท่านถามว่ากราบน้ำมัตการประคุณเจ้าที่ฉันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วเบื่อหน่ายในกามาขุนกามามรมยังมีสามีอยู่ควรจะทำอย่างไรให้ชีวิตการครองเรือนไม่มีปัญหาเจ้าข้ากราบน้มัตการ คือการครองเรือนเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องการความสมดุลตามธรรมชาติเหมือนกันพระเจ้าทรงแสดงว่ายักษ์อยู่ร่วมกวับยักษินีคือความต้องการแรงด้วยกันก็อยู่กันได้แบบยักษ์กับยักษินีเทธิดากับยักษ์คือหมายความเม่อควายหนึ่งมีความต้องการแรง กว่าหนึ่งมีความต้องการไม่แรงกว่าจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันหรือว่าเทพบุตรอยู่ร่วมระยักีินีกว่าหนึ่งแรงกว่าหนึ่งไม่แรงผู้หญิงแรงผู้ชายไม่แรงก็เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทกันอีกอย่างหนึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันเทพบุตรกับเทพธิดาคือหมายความว่าแต่และคนเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ได้ทั้งคู่ คนหนึ่งกรณีนี้ก็อาจจะเล่าถึงความจริงในสามีทแล้วก็พยายามก่อนที่จะเล่าเนี่ยมันควรจะมีอารมณปกถากันพอสมควรนะครับปูจาชี้แจงกันพอสมควรจนถึงจุดหนึ่งก็น้อมนำจิตใจเขาให้เห็นตามใอยตามแล้วชวนสมาทานศีลศีลววสด ต่อไปก็สมาทานศีลแปดพอถึงจุดหนึ่งเขาก็มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ก็ไปด้วยกันได้แล้วมันต้องปรับสภาพเข้าหากันคืออยู่จุดหนึ่งเราอยู่กันในฐานะเป็นเพื่อนนะเป็นกัลยาณมิตรสามีกับปัญญาอยู่ร่วมกันในฐานะเป็นกัลยาณมิตรไม่ได้ใส่ใจไม่นำพาในเรื่องความต้องการในทางเพศ ร า, าการในถ้าเราเริ่มคิดเริ่มพิจารณาเห็นจริงๆแล้วก็จะเกิดเปิดหน่ายจะเกิดระอาเพราะจริงๆมันมันเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกมันเหมือนกับเคียงหั่นเนื้อมันเหมือนกับชิ้นเนื้อมันเหมือนกับกินเนื้อแล้วก็ย่างไฟนะคะมันก็เหมือนกับออกหรือแลนหรือหลาวต่างๆ เหมือสีสาอสระพิษคือมันมีความสุ่มเสี่ยงเยอะในเรื่องของเพศเนี่ยปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอเพราะถ้าอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรแล้วก็ไม่เน้นไปในต่างเพศถึงจุดหนึ่งก็เข้าวัดฟังธรรมำจำศีลนักสาวรีด้วยกันก็สบายไปทั้งคู่ทีนี้ถ้าหากว่าสามีไม่พร้อมก็เล่าให้เกิดความเข้าใจ บอกว่าเราสมาทานศีลอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงก็มีคนก็ทํานะฮะก็สมาทานศีลนุโบสถศีลไม่ใช่ศีลแปดแล้วเขาก็อยู่ร่วมกับสามีเล่าความจริงให้สามีก็เกิดความขัดใจแตาเขาอยู่ในฐานะรักษาศีลไปมีเพศสัมพันธ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้สามีเข้าใจมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็อยู่ยังยังอยู่ร่วมกันได้ดีอยู่เพียงแต่ว่า จะต้องทำความเข้าใจกันการตักบาทกับพระอริยพระอริยสงฆ์กับพระสงฆ์ทั่วไปผลของการกระทำได้เท่ากันหรือไม่เออที่จริงเนี่ยมันมีปัญหาที่ตัวผู้รับนะครับคือพระอริยสงฆ์นั้นท่านเป็นทักกินยายบุคคลจริงๆพระสงฆ์นั้นก็รองลดหลั่นกันลงมาทีนี้ถ้าตรงอื่นมันไปด้วยกันได้นะ จะสมุติวเจตนาเป็นยังไงของที่เรานํามาบริจาคเป็นยังไงของที่นํามาบริจาคนั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่เจตนาในการบริจาคนั้นเป็นเจตนาเสียสละละวางหรือไม่แล้วความรู้สึกเนี่ยเราต่อพระอริยสงฆ์กับพระทั่วไปในรู้สึกดีหรือไม่ถ้าเท่าๆกันเนี่ยนะฮะมันไปไพ่ายแพ้กันที่ตัวพระอริยสงฆ์วัพระอริยสงฆ์ก็อํานวยผลบุญให้มากกว่า ทักสีนาในแนวนี้การริจากทานในแนวนี้ตัวเราเองจะต้องอยู่ในศีลในธรรมด้วยเขาเรียกว่าบริสุทธ์ทั้งฝ่ายถายกทั้งฝ่ายปฏิกาหกคือบริสุทธ์ทั้งฝ่ายผู้ให้แล้วก็ฝ่ายผู้รับผู้ให้เองไม่มีปัญหาในด้านของนามาให้ไม่มีปัญหาในด้านเจตนาไม่ได้มีปัญหาในด้านความประพฤติผู้รับเองก็ไม่มีปัญหา แต่ว่าเนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอริยะนะท่านก็เป็นอาหุนโยปะหุนโยระกินาโยที่แท้จริงนะพระสงฆ์สามัญทั่วไปก็รองรลดหลั่นกันลงมาก็คือเป็นอาหุนโยปะหุนโยเหมือนกันแต่ว่าท่านพยายามปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะให้เบาบางเจรจางลงไปดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายยังไงก็ น้ำหนักแตกต่างกันที่ตัวปฏิกาหกคือที่ตัวผู้รับแต่ว่าเรารู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นอริยสงฆ์นี่เป็นเรื่องใหญ่นะคือบางทีมันก็นไปโปรโมทกันไปหลอกลวงชาวบ้านกันแล้วทาให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์นี่ท่านในประกาศไม่บอกหรอกนะเราก็ สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเป็นผู้บอกปร า, ารถนาทั้งหลายเป็นผู้บอกถ้าท่านบอกในท่านก็ประกาศในรูปก็เรียกว่าอุทานหลังจากบรรลุมคนเป็นพระนะท่านจะเปล่งอุทานออกมาเราจึงรู้ว่าท่านเป็นต้องฟังทงั้งหลายในรูมหาโพธยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเแบบเดียวนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี